ท่านฟังที่ครบคะ่ะท่านทั้งหลายอยู่ในช่วงเวลาของรายการสัสนิสสนทนานะคะแล้วก็ไม่ว่าฝนจะตกน้ําจะท่วมอย่างไรรายการนี้ก็มาพบกับท่านเป็นปกติเช่นเดียวกันกับช่วงที่สองนี้เหมือนกันนะคะก็พบกันเป็นปกติช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธว จ, จนะภ้าพิเศษกับพระภับูลอภิปุนโนวัดป่าดอนหายซุขอุดรธานีคะ่ะน้อมส ก, การกะทั่นคะ่ะเจริญพรเอ ช่วงออกพรรษาใช่ไหมคะที่วัดของท่านนี่ทำอย่างไรบ้างคะมีกิจกรรมพิเศษอะไรไหมคะก็จริงจริ ง, รงันออกพรรษานี่จะมีกิจกรรมที่เฉพาะพระนั้นคือการประวัรนาออกพรรษาซึ่งจริงจเรื่องนี้คราว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทราบนะส่วนใหญ่คราว่าจะไปทราบเรื่องกระถิ่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะซึ่งอันี้จะเป็นเรื่องของคราว่าโดยตรงะ คือว่าถ้าใครต้องการจะถวายพระกระถินนั้นก็จะเป็นเรื่องกตะินทีนี้สําหรับพระเองเนี่ยกิจกรรมที่ต้องทำนะไม่ว่าจะมีพระมากพระน้อยมีพระอพอจะรับกรถินหรือไม่ซึ่งออกพรรษาวันออกพรรษาต้องทํานั่นคือการบวารณาค่ะกิจกรรมวันนี้ก็คือหมายถึงการที่เรามาออกตัวให้คนอื่นเนี่ยมา ต, ติเตียนเราได้ไดนะ้ให้ออกจาก อ, อาบัติข้อใดข้อหนึ่งอันนี้เป็นธรรมกิจว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดี หมาถึงว่าในหมู่พระด้วยกันเองใช่คารวาะไม่ต้องนะค ะ, ะก <c oughs> ไ็ไ ม, ไม่ไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าจะมาอยู่คือการที่มาอยู่ร่วมกันตลอด3ามเดือนเนี่ยมันอาจจะมีเห็นกันมากขึ้นนะนะคือองค์นี้เป็นยังไงองค์นั้นเป็นยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีโอกาสให้กล่าวตักเตือนกันได้ <c oughs> ซึ่งพระพุทธเจ้าเองนะคุณโยมติ๋วทําเป็นตัวอย่างคือมีวันนั้นวันออกพรรษานี่แหละ <c oughs> นั่งอยู่ใต้พระจันทร์เต็มดวงแล้วก็ มีภิกษุ ส, สงฆ์เป็นหลายๆร้อยรูปเลยพระเจ้าก็นั่งนิ่งอยู่ใช่ไหมก็ลุกขึ้นมาแล้วก็กล่าวกับคือนั่งอยู่นะแล้วก็กล่าวกับภิกษุทั้งหลายบอกว่าเออเนี่ยพวกเธอจะตีเตียนเราด้วยกรรมทางกายทางวาจาหรือทางใจอะไรไหมว่าอย่างนั้นจังหวะนั้นนะท่านภาษาริบุตรก็ขึ้นมาเลยคุณโยมติวบอกโอ้ยพวกเรามีพระพุทธเจ้าเป็นมีพระองค์เป็นที่พึ่งเป็นที่ต้านทานจะไปตีเตียนอะไรมีแต่ข้าพระองค์นี่แหละมีผู้ใดจะตีเตียนข้าพระองค์ไหม ทางกายวาจาใจที่ไม่ดี oh, พอ <okay. S 1> ท่านภาษาริบุตรขึ้นมาทำํำนี้อีกองค์หนึ่งก็ขึ้นทําตามโอ้ท่านภาษาริบุตรดีๆไ ม, ไม่ไม่มีอะไรจะติเตียนมีคนอื่นจะติเตียนออกอไม่ไล่กันไปไล่กันไปนะคุณโยมติว๋ว oh, จน <okay. S 1> ครบทุกองนะซึ่งก็เหมือนกันในปัจจุบันนี้นะ oh. ว่าพระก็จะมีการตั้งอ่าตั้งยติคือหมายว่าเปิดประเด็นขึ้นมาอา้าววันนี้วันัอกภรษาแล้วนะจะมีใครติเตียนใครอะไรไงใครจะเริ่มก่อนภิกษุที่อวุโสมากกว่าก็จะเริ่มก่อน อย่างที่วัดบวรอย่างเงี้ยมีพระเป็นร้อยรูปเนี่ยนะก็ะจะทํากันทีละองค์เลยนะองค์นี้พูดขึ้นมาองค์ต่อไปพูดขึ้นมาอย่างนี้ไล่กันไปไล่กันไปโอ้ไมยถึงว่าทําพอเป็นพิธีหรือว่ามีการตําหนิติเตนะียนกันจริงจริงกันทั้งคะก็คือในวันอ่อกันษารนี่จะทําเป็นคือในทุกวันนี้เนี่ยจะทําเป็นพิธีนะคือทําเป็นทางการไย้เงินเถอะแต่ว่าสําหรับที่วัดป่ารอนไหนโศกเราเนี่ยคือก็จะมีกันตลอดอยู่แล้วมีกันตลอดนี้หมายถึงว่าอาตมาก็จะพูดกับพระ ตั้งแต่ต้นพรรษานะว่าอ่านี่บรรษาแล้วนะถ้าใครจะตีเตียนข้าพเจ้าก็พึงทําได้เปิดโอกาสให้ปรนนธาเอาไว้เพื่อนเราก็จะคอยบอกคอยสอนกันอะไรอย่างนี้อยู่อยู่แล้วหมายถึงว่าไม่ต้องปรนนธาในวันอื่นก็ได้ในในวันเข้าในวันออกพรรษาก็ได้เหรอคะวันออกพรรษานี่คือทําเป็นทางการข้าพเจ้าให้ทําเป็นแบบทางการตรงนี้ค่ะนะหรือถ้าสนิทกันมากก็จะทําเวลาไหนก็ไม่มีปัญหาอืมค่ะ ักษณมี ค, คนจริง<ล>ถ้าในครอบครัวมีแบบนี้บางกรณีเหมือนกันค่ะ เ, ออเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุในธรรมะวิญญานี้เนี่ยหรือใครก็ตามเนี่ยนะจะเจริญได้เนี่ยด้วยการทีออ่ตักเตือนกันและกันให้ออกจากอบัตเหมือนถ้ามีความผิดอะไรเปิดเผยออกมาอา้าวชี้แจงไม่เห็นไม่แจ้งก็ค่อยพูดกันอย่างมีบางทีอย่างสิ่งของพระเนี่ยคุณโยมติว๋วถ้าจะถุยน้ําลายลงของเขียวคือเป็นพวกหญ้าต้นไม้อย่างนี้ไม่ได้ค่ะเนี่ย อ, อาจจะมีภิกษุบางรูปแบบ ในภาษาให้มาฝนมันตกอาจจะเป็นแพ้ภูมิแพ้อะไรเงี้ยก็ต้องขากเสลต์อยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ถ้า <c oughs> ไปขากเสล็์ลงพื้นดินธรรมดาแต่พิกษุยกรูปนึงมองไกลๆมาเห็นมุมเป็นแบบเหมือนกับถุยถุยน้ำลายลงต้นไม้อย่างเงี้ยนะะ <c oughs> ท่านก็อาจจะมาโจทย์กันได้ก็จะค่อยอธิบายให้เข้าใจกันในวันนี้อย่างเงี้ยแล้วจริ ง, รงๆก็ต้องไปไปถมลงไปที่ไหนแล้วกันก็ถมลงที่พื้นดินหรือว่าถังขยะ หรือว่าที่ที่ไม่ใช่ในน้ําหรือว่าในต้นไม้บนต้นไม้ <เอ S 1> ก็เป็นพื้นดินคือ อ, อะไรกยนคะที่ไหนข้อเนี้ยคะ่ะก็เพราะในสมัยก่อนมีคนไปโจดพร ะ, ค, ะคืออาจจะเป็นน้ําดื่มหรือน้ําต้นน้ําอย่างนี้หรือว่าอาจจะเป็นต้นไม้ที่เขาปลูกไว้กินอย่างเงี้ยพระก็ไปถุยน้ำลายใส่ก็เลยก็เลยไม่ได้ก็เลยปรับป่าบัตไวโอ้ค่ะนะคะเนี่ยคะ่ะท่านผู้ฟังเห็นไหมคะว่าพระสงฆ์เราเนี่ยมีกฎ กติกามารยาทที่เราเรียกกันว่าเป็นพระวินัยกำกับละเอียดมากเลยนะคะเนี่ยใช่ใช่ค่ะก็ถ้าปฏิบัติกันจริงๆก็หลายพันข้ อ, อแล้วก็ถ้าจะมาทบทวนกันทุกๆเดือนก็จะมีตั้งแต่ร้อยห้าสิบข้อขึ้นไปอ๋อไนไหนก็พูดถึงพวกระเบียบประเพณีกฎกติกามารยาทวัฒนธรรมของพระเนี่ยนะค ะ, คะมีท่านผู้ฟังชื่อคุณกิติชัยคะ่ะบอกว่า เมื่อเช้าคงจะเช้าวันที่ฟังอันนะคะท่านหมายถึงท่านไพริปูลพูดถึงโยมรอรับพรหลังใส่บาตรเห็นว่าเป็นวัฒนธรรมใหม่สมัยที่คุณกิติคุณกิติชัยบวชยี่สิบปีที่แล้วไม่เป็นแบบนี้อคนสมัยนี้คงชอบรูปประธรรมรูปประธรรมประมังครับก็คงติดพวกพิธีกรรมอ่ะนะคะซึ่งจริงๆคําสอนพระเจ้านี่ส่วนที่เป็นพิ ธ, ธีกรรมนี้ไม่มีเนะคุณยมติวไม่มีเลยจริงๆแม้แต่น้อยหรือคะ อย่างเช่นว่าจะมาหาพระรูชาต้องกราบสามครั้งอย่างเงี้ยพระรูชาไม่ได้กำหนดไม่ได้เป็นบรรจัดของพระรูชาถ้าพวกพิธีกรรมที่ชัดเจนเนี่ยก็จะมีเหตุผลอย่างเช่นพระอย่างเงี้ยอาจะมาทําอะไรอ่ะมาทบทวนศีลเหรอนี่ไงปฏิโมกจะมาต้องมีระเบียบขั้นตอนจัดน้ําใช้น้ําฉันเชิญพระผู้ใหญ่มานับจำนวนภิกษุมอบฉันทะอะไรต่างถ้ามีพวกพระป่วย อย่างนี้นี่คือระเบียบพิธีการที่ทำนะเราดันไปทําเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์เรื่องปฏิหาณอะไรมันก็ไม่ใช่เรื่องหรือว่าการทําพิธีเบิกเนธพระพุทธรูปสร้างพุทธรูปสมัยนู้นไม่มีแล้วเนา ะ, ะพิธีงานศพไม่มีเลยไม่ได้บัญญัติไว้พระนี่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับงานศพน ะ, ะ, ะถวายภาพบางสกุลไม่มีนะแค่ทําบางสกุลสัญญาจบะนะนี่คือคําสอนพระเจ้าก็จะเป็นเนื้อเนื้อเน้นเน เ, นเรื่องเกี่ยวกับจิต อย่างนี้มากกว่าคือดิฉันเนี่ยเข้าใจอย่างนี้นะคะว่าคงจะเป็นลักษณะเดียวที่คุณกิติชัยพูดเลยคล้คลายๆแบบว่าพระก็อาจจะรู้อยู่แต่พระการที่จะมาบอกให้คราวาตบุตุชนได้รับรู้ในเวลารวดเร็วเนี่ยก็อาจจะไม่ทั่วถึงถ้าไม่ตั้งระเบียบพิธีเป็นขนบเอาไว้อาจจะทำให้คนก็ไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ เ, <อ>ลเลยทาเกิน ไม่เป็นไรใชไหมคะท่านก็คืออย่างพระเนี่ยนะจะจัดลงตรงไหนนะมันก็คืออนุเคราะห์ด้วยใจอันงามในกรณีนี้ได้สมมติเขาจะเอาของที่เราไม่ได้ใช้หรือว่าเป็นภาระอย่างเงี้ยนะมาให้วัดอย่างเงี้ยเราก็อนุเคราะห์ด้วยใจอันงามรับไว้ถ้ามันรับได้ไม่ผิดวินัยนะค่ะนี่ท่านกำลยจะตอบคําถามหรือเปล่าครัเวลาคนจะถามว่าเอาไอ้นั่นถวายพระได้ไหมนี่ถวายพระได้ไหม รับหมดใช่ไหมคะส่วนจะใช้หรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหรือยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่ว่าจะรับได้อย่างเงินทองนี้รับไม่ได้ใช่ไหม<อ>ถ้าเขาจะถวายเป็นปัจจัย4ี่ก็ต้องอยู่ในรูปแบบที่ต้องมีผู้ดําเนินการแทนสงให้อ่าอย่างนี้ก็ต้องมีผู้ทําแทนอย่างนี้น ะ, ะหรือว่าอ่าอย่างอะไรละ่ะที่รับไม่ได้อย่างเช่นพวกที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ด้วยนุ่นและสำลีมีหมอนแดง2อข้างอย่างเงี้ยพระอาจจะรับไม่ได้รับไม่ได้เลยละ่ะไม่ให้รับเลือกสวนไรนาะไม่ให้รับ แ ต, มมแต่มีตัวอย่างนะแต่มีตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าก็เคยรับอยู่นะสมณโคโดมเนี่ยเคยรับที่นั่งอลังการมากเป็นเหมือนกับลักษณะบัลลังก์แต่ว่ารับด้วยก็คือรับรับไวนะ้เพื่อที่ให้เป็นให้เขามีศรัทธาเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ไม่ได้ใช้อย่างนี้ก็มีที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกก็คือ ค, คงเข้าขายว่าอนุเคราะห์ด้วยใจยอันงามว่างั้นเถอะ ค่ะถ้าเป็นภาษาพุทธวนจะนะจะเรียกอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามใช่นี่คือหน้าที่ของประสงค์อย่างหนึ่งซึ่งมันก็ตีความกว้างนะว่าจะอนุเคร า, าระห์ยังไงล่ะค่ะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยจะบอกว่าสนองศรัทธาฉลองศรัทธาแล้วนะฉ ล, ลองฮะฉลองศรัทธาคือเหมือนกับว่าบางครั้งเนี่ยมีนะคะไม่ว่าจะเป็นคือเป็นคารวาสธรรมดาเวลาคนเอาของมาให้แล้วเรามีความรู้สึกว่ามันแพงเกินไป ไม่อยากรับเอาไว้หรือมันไม่เหมาะกับเรามาให้ใเราเราก็ไม่ได้ใช้เนี่ยเพปฏิเสธไปดูเหมือนกับว่าคนให้เขาก็เสียใจนะคะใช่ใช่มันก็ต้องมีวิธีนะคะค่ะแต่ว่านี่เป็นเรื่องของสงฆ์ที่คารวาะอย่างเราควรรู้เอาไว้ดีที่สุดเลยในการที่จะข้องเกี่ยวกับสมณะจะได้ทําให้พระสงฆ์เองก็ไม่ต้องมีภาระในการที่จะไปวางในการที่รับแบบขอไปทีเอาไว้อย่างเงี้ยนะคะแล้วเรื่องการให้เนี่ยก็ได้บุญเดียวนั้นเลย ให้ตอนนั้นได้บุญเดี๋ยวนั้นไม่จาเป็นต้องรอพระมาสวดให้พรอะไรต่างซึ่งจริงๆคำสวดให้พรนี้ก็เป็นคำอนุโมทนาเท่านั้นเองอนุโมทนาว่าเออท่านทำบุญแล้วก็ได้บุญนะเปรียบเสมือนน้ำต้องไหลาจากที่ต่ำที่สูงไปที่ต่ำอย่างนี้ลักษณะเนี้ยเท่านั้นเองก็คงต้องแบบให้คนเข้าใจก่อนถึงไม่ให้พรได้แต่คนที่ยังไม่เข้าใจคนอยู่ใกล้ใกล้ต้องบอกนะคะว่า มันได้ตั้งแต่ตอนให้มีคนโทรศัพท์มาถามดิฉันกับท่านคะเมืม่อไม่กี่วันมานเนี้ยบอกว่าเนี่ยเกษยียณอายุมาเก็บเงินเอาไม้ก้อนนึงก็อยากจะไปทํากรถินทีนี้มีเพื่อนมาบอกบอกว่าอย่าไปทำเลยวัดเนี่ยมีคนจองแล้วเราไปร่วมทําเนี่ยเราได้บุญน้อยเพราะเราไม่ได้เป็นเจ้าภาพขอจองกระถิน่นดิฉันเองไม่เคยตอบคาถามส่วนตัวอย่างนี้กับใครสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็ให้พระอาจารย์ตอบนะคะก็เลยจําท่านคะ่ะไปตอบอย่างนี้ถูกไหยคะว่า นุ่นเนี่ยมันสำคัญที่ตอนก่อนให้ขณะให้และหลังให้ใว่าถ้ามีศรัทธาที่บริสุทธิ์มีจิตที่เป็นกุศลมันได้เต็มที่ถูกไหมคะใช่ใช่แล้วของที่เอาไปให้ก็เป็นของที่สมควรแก่สมณะจะบริโภคอันนี้ก็จะได้เต็มที่ละ่ะค่ะอ่อ นะคะใช้เวลาไปเยอะแล้วเหลือเวลาไม่มากมก็คงจะต้องพอมีไหมคะที่จะได้พูดในเรื่องสอะาเป็นปกติของเราช่วงนี้ใช่พูดถึงเรื่องของอพุทธประวัติค่ะนะพุทธประวัติตรงนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องพิเศษพิเศษที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะก็มีปริพชก ค, คนหนึ่งชื่อกุณฑลิยะนะซึ่งภายหลังก็กขอบวชเหมือนกันได้มาคุยกับพระพุทธเจ้าบอกว่า เนี่ยไปที่ต่างๆมานะไปกินข้าวเช้าไปอะไรล่ะคือเล่าถึงกิจวัตรของตัวเองนะจากที่นั่นไปอยู่ที่นี่มีการว่ากันอย่างเนี้ยพูดจากันอย่างนี้มีกิจกรรมอย่างนี้เป็นเครื่องสนานเครื่องชอบใจนะของเราแล้วก็ถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีการอยู่ด้วยการอยู่อย่างไรเป็นที่สนุกสนานชอบใจพระพรทธเจ้าตอบคมมากนะบอกว่าเรามีผลแห่งวิชาและวิมุต เป็นเครื่องสนุกสนานชอบใจนะก็คืออธิบายไปว่าไอ้และผลของวิชาวิมุตต์เนี่ยมันคืออะไรผู้เจ้ายวอธิบายหมวดเอ่อโพธิกิจปักกิยธรรมนะสาิบเจ็อย่างคือตั้งแต่โพชฌงค์เจสติปัฏฐาน4อะไรต่างๆเหล่าเนี้นะค่ะ <Okay. S 1> ว่าอันเนี้ยเป็นผลของอวิชาและวิมุตต์เป็นเครื่องสนุกสนานชอบใจถ้าใครบอกว่าในฟังธรรมะเบื่อไม่สนุกเลยแสดงคุณยังเข้าไม่ถึงตรงนี้ค่ะ <Okay. S 1> จะได้ตรงนี้มีผลเป็นเครื่องสนุกสนานเครื่องชอบใจนะคะเราก็สามารถจะมีธรรมะมีผลของวิชาและวิมุตเป็นเครื่องสนุกสนานชอบใจได้เช่นเดียวกันอย่างบางคนฟังธรรมะคุณโยมติวรู้สึกว่าแหมมันร่าเริงมันชื่นจะก็เรียกว่าอะไรมีความร่าเริงมีความสนุกสนานนะีรื่นเริงว่าอย่าง น, น, นั้นก็เพราะว่าเขาสามารถ เห็นตามที่เป็นจริงได้ปล่อยวางบางอย่างได้จิตใจมันก็มีปีติสุขขึ้นมาอย่างเงี้ยนะนี่ก็เป็นลักษณะนั้นกันอันนี้คือเรื่องของพุทธประวัติในวันนี้ส่วนมาถึงอริยสัจสีนะที่เรายังอยู่ในเรื่องของอริยบุคคลนะถึงลักษณะของความเป็นพระอรหรันต์นะบอกว่าพระอรหันต์เนี่ยมีคุณสมบัติที่จิตของท่านเนี่ยไม่ขุนมัว นะไม่มีอะไรฉาบไล้ท่านให้ติดอยู่ในโลกได้นะพระพุทธเจ้าก็ยังบอกว่าคนที่บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วเนี่ยจะเรียกใช้สรพนามนะพิเศษก็คือว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเป็นบุตรของเรานะถ้ายังไม่ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ก็จะไม่ได้เรียกว่าบุตรนะนะจะเรียกภิกษุบ้างเรียกอะไรอย่างอื่นบ้าง อ, อจะใช้คำต้องำสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วใช่จึงจะสามารถเรียกได้ว่าเป็นบุตรพระพุทธเจ้าใช่ใช่พระพุทธเจ้าจะใช้คํานี้่นะ <dle> like แล้วก็บอกว่าพร ะ, พระอรหันต์เนี่ยเลิศ ก, กว่าพระขวะัพพรมเนี่ยพระวะรัพพรมนี่คือพรมชั้นสูงเลยนะแต่พระอรหันต์เนี่ยก็ยังเลิศ ก, กว่านั้นเพราะว่าอะไรนะอาศัยเหตุที่ว่าพระพระอรหันต์เนี่ยไม่มีกิเลสไม่ต้องเกิดอีกแต่พวกพระขวะัพพรมเนี่ยยังมีกิเลสอยู่ยังต้องเกิดอีกถึงแม้ว่ากิเลสนั้นจะน้อยก็ตามหรือการเกิดครั้งต่อไปจะเป็นเกิดที่พบดีก็ตามก็ยังต้องเกิดอีกนะ แต่ว่าพระอรหันต์ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็มีคําศัพท์คําหนึ่งที่ท่านพุทธทาสคิดว่าควรจะเอามาพูดถึงนั่นคือคําว่าเกพลีนะสระเอกอไกอ่กพอพันลอลิงสระอีนัก็แปลว่าพระอรหันต์เหมือนกันใช้แทนกันได้เลยอ๋อเหรอคะเกพลีนะคะใช่ <c oughs> ซึ่งเป็นคําที่อาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันไม่ได้ค่อยพบกันอไม่คุ้นเลยคะ่ะซึ่งพระพุทธเจ้าใช้อยู่บ่อยๆเหมือนกันพระอรหันต e ์บ้างเกเพลีบ้างบุตรของเราบ้าง อย่างนนะเป็นคําเรียกพระราหันได้ทั้งหมดค่ะนี่ก็คือเรื่องของพุทธอริยสัจสีในวันนี้นะอเคค่ะนะคะเราก็ใช้เวลากับการถามคําถามเผื่อที่จะได้ครบถ้วนสําหรับคนที่ได้สนใจฟังรายการแล้วก็เผื่อไปอยังท่านฟังทั้งหลายที่อาจจะได้ความรู้โดยตรงจากเรื่องที่ถามไปด้วยค่ะวันนี้ก็นมันสการขอบพระคุณท่านอาจารย์ไพบูรลเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะยินดีด้ การท่านฟังที่ครบครับแลก็คือพระจาเทียนบุญอภิปุญโญ น, นะคะจากวัดปาดอนหายโสอุดรธานีที่นั่นวันปียะนี้มีทอดกรถิ่นแน่นอนไม่ต้องเลื่อนแบบวัดอื่นๆที่โดนน้ําท่วมนะคะส่วนวัดนาปะพง์ลำลูกกาคลองสิงซึ่งกะมาชาควโรในช่วงต้นนั้นจำพรรษาที่วัดนี้ก็วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ละคะ่ะวันที่16เช้าตรู่เลยนะคะก็จะถวายผ้ากรถินกัน ตอนเก้าหมงเช้าค่ะวันนี้เราคงจะลาท่านที่เคารพทุกท่านเนี่ยไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็ติดตามรับฟังรายการสัมสนาสนทนากันในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะคะตีห้าเช่นเคยขอได้รับความขอบคุณจากที่ฉันสัมสน่ง น, นีหานค้ามพุงนววุทีัสสวัสีคะ่ะดค่